5.2 ศสาสนาพุทธสอนธรรมะต่างจากศาสนาอื่นวงเล็บเปิด27พฤษภาคม2550จุดจุดนาที0วงเล็บปิดธรรมะจริงๆมีสองอันคือธรรมะล้วนๆกับธรรมชาติอย่างของเต๋าเขาพยายามกลมกลืนเข้าสู่ธรรมชาติบางทีพูดคล้ายๆธรรมะนะความแตกต่างระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นอยู่ตรงที่เราไม่มีตัวมีตนในสุดท้าย ไม่ใช่ว่าเอาตัวตนกลืนเข้ากับธรรมชาติแล้วธรรมชาติกับตัวตนเป็นอันเดียวกันหรือเอาจิตกลมกลืนเข้ากับพรหมปรมาตตะมันเป็นอันเดียวกันของเราปล่อยวางหมดเลยไม่มีอะไรเข้าไปสู่อะไรถ้าใจมันหมดความหิวโหยหมดความดิ้นรนได้ใจไม่ดิ้นรนต่อไปมันก็มีแต่ความสุขล้วนๆมันเป็นสุขอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละไม่ต้องไปไหนเลยศัตรูสาคัญของเราก็คือความไม่รู้หรืออวิชชา ความไม่รู้อริยสัจส่วนความรู้แจ้งอริยสัจเรียกว่าสัมมาทิฐิหรือวิชชาฉะนั้นหลักธรรมในศาสนาพุทธเราจะฝึกหัดตนเองไปเรื่อยๆสิ่งที่ได้มาคือสัมมาทิฐิสิ่งที่หมดไปก็คืออวิชชามันเป็นเรื่องของการรู้เท่าทันเท่านั้นเองมันไม่ใช่เรื่องทำอะไรที่เกินธรรมดามากกว่าการรู้ความจริงดัง น, นั้นวิถีของชาวพุทธเป็นวิถีแห่งการรู้พ้นทุกข์ด้วยการรู้จะไม่เหมือนวิถีของคนอื่น ซึ่งเขาก็มีวิธีนิพพานของเขาเหมือนกันอย่างของฮินดูของพราหมณี่ถ้าใจเข้าสู่ความสงบทาฌานได้ก็ถือว่าใช่แล้วเป็นนิพพานครูบาอาจารย์ท่านเรียกนิพพานพรมหรือวิธีของคริสเขาใช้ความรักไม่เบียดเบียนกันรักในพระเจ้าก็ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวมากความทุกข์มันก็น้อยลงไปมันเป็นวิธีถอดถอนความเป็นตัวตนด้วยวิธีต่างๆนี่นักปราชทั้งหลายก็คิดคิดขึ้นมา ส่วนวิธีของชาวพุทธคือวิถีรู้ถามว่ารู้อะไรก็รู้กายรู้ใจไม่ใช่รู้เรื่องอื่นต้องรู้ลงในกายในใจนี้รู้จนเห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราคนใดที่เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราจะเข้าสู่จุดที่ปลอดภัยแล้วถ้ายังเห็นกายเห็นใจเป็นตัวเราก็ยังอยู่ในจุดที่ไม่ปลอดภยัยมันมีตัวเรานะมันก็อยากให้ตัวเรามีความสุขมันก็ดิ้นรนไปนะดิ้นรนไปทางชั่วก็สร้างภพภูมิที่ชั่ว ดิ้นรนไปทางดีก็สร้างภพภูมิที่ดีพยายามจะไม่ดิ้นรนเลยจงใจที่จะไม่ดิ้นรนเลยก็สร้างภพภูมิที่นิง่งๆว่างๆไม่มีอะไรขึ้นมาอีกถ้ารู้ลงไปจนเห็นว่ามันไม่มีเรานะจะเป็นจุดที่ปลอดภัย